เพลินเพลินแล้วก็เผลอเพลินแล้วก็เผลอเพลินแ้วก็เผลเกิดทีไรเมื่อไหร่ประกอบด้วยความกำหนัดความกำหนัดกายคือความใไข้ทางกายความกำหนัดจิตคือความยินดีทางจิตใช้คำว่าความกำหนัดเหมือนกันพระคือความกำหนัด มันเป็นกิริยาที่ละเอียดต อ, อนเราสังเกตเราจับได้ตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดที่สุดในใจของเราคือความกำหนับมันมีคําคําเดียวคือราคะราคะคือความกำหนับความยินดียินดีมากยินดีน้อยยินดีกับเรื่องหยาบยินดีกับเรื่องละเอียดใช้คําว่าราคะ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 กำหนัดด้ว ย, เ, <ines> x, วย ures, เพลินด <1938. S 2> ้วยกำหนัดด um <és> <wholly S 1> ้วยเคลิ่อเพลินด้วยเคลิ่อเพลินยิ่งด้วยในอารมณ์นั้นๆคือตัณหามันเพลินเพลินเิเพลินเพลินละนะเพลินเพลินเลินเพลินละเพลอก็คือมันยิ่งปรุงหนักเข้ามากเข้าไปอีกเพลอยิ่งปรุงหนักเข้าไปอีกเพลอยิ่งปรุงหนักเข้าไปอีก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 อยากดูหนังสือนั้นอยากดูหนังสือนี้กันหนอยเลินเพลิ่ลอลออวอาหยุดแล้วเดินโทรลูโท ล, ไลูไปละไปหยิบหนังสือมาดูละน่นี่คือมันปรุงจนถึงที่สุดของมันมันพาเพลินเพลิ่ลย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นจนสบับแต่ละอย่างแต่ละอย่างคาว่าตัณหามันไม่ใช่เกี่ยวกับ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 นี่เขาเรียกว่ารู้เท่าทำใจให้รู้เท่าใครเคยฝึกตรงนี้ใครเคยเข้าใจตรงนี้จะรู้ได้จะเข้าใจได้ทำให้ใจรู้เท่าเหมือนเราพยายา ม, มกาหนดจดจ่อสติของเราโรวอยู่ในอารมอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามทำความรู้เท่ามันเนี่ยเหมือนอย่างอะไรอ่ะเราจะเห็นอะไร<ม>เราเห็นเราเห็นอะไรเราเห็นหนู หนูตายตัวหนึ่งสมมุตินะหนูตายตัวหนึ่งกําลังขึ้นอืดแมงวันกําลัง ต, งตอมแมงวันกําลังเจาะปล่อยลูกะปล่อยลูกแมงวันลูกแมงวันก็นุ่นน่ะหนอนนั่นแหละปล่อยพดพดพดพดดพดไปเจาะตรงนั้นเจาะตัวนี้เจาะเยอะๆที่แรกเราก็ไม่น่าดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแต่เราพยายามดูทําใจให้รู้เท่ามันพร้อมกับดำรี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 เราพยายามตั้งอกตั้งใจพิจารณาดูโยตซาเยวะกันห้ายะอาเสสวิรากันเโรโทยาโกปัติิสังโกมุตติอนารลโยความสำรอบและความดับโดยไม่เหลือสำรอบหรือดับโดยไม่เหลือความสลักความสลักความส่งคืนสลักสลักส่งคืนหรือปล่อยวาง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 นั่นคืออะไรเป็นอะไรการมัตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าในคํามจักรนมาสวดกามัตันหารักชอบเกี่ยกัเรื่องวัตถุการมเท่าไหร่ทั้งปวงภาวะตันหาอยากอยากเป็นอยากเป็นเพราะความมีความเป็นวิภาวะตันหาความไม่อยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่มีไม่เป็นเราฟังยากเหมนกัน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 ทำความรู้จักกับความอยากตัวเดียวเนี่ยมันจะเริ่มรู้เรื่องมันจะเริ่มได้ผลขอให้มารู้เท่าทันความอยากในใจของเราเสติของเราจะเริ่มดีขึ้นอยากในทางที่เป็นธรรมก็ให้มรู้ทันอยากม่ทางที่เป็นกระเบิดให้มารู้ทันให้มนรู้ทันรู้ทันความอยากเรานั้น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 จบแล้วก็คืออยากกับรูปกับเสียงกับเลี่นกับรบกับสัมผัสนีน่เป็นยอดของความอยากความอยากแบบนี้เป็นอำนาจของกิเลสความอยากทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หม ด, หหมดไปจากหัวใจของเราเป็นความอยาก <spending time. S 1> โดยธรรมที่สําคัญที่สุดขอให้เราทันความอยากมาสำคัญเราไม่ทันอะไรมาจัดหมดอะไรมาจัดหมดอะไรมาเกาะหมดอะไรมาเกาะหมดอะไรมายึดหมดอะไรมายึดหมด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 อ๋อตอนนั้นเรายัางงั้นตอนนี้เราอย่างนี้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราดูผู้ที่ท่านแต่จริงๆปล้าจริงๆสระได้วางได้ขาดทำลายอะไรหมดเยื่อใหญยไปจากหัวใจเรารู้จริ่งใจขนาดไหนหัวใจของท่านเห็นไหมละเอียดอ่อนขนาดไหน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 ชีวิตของเรามัน ah อยู่ยากชีวิตของเราเนี่ยน้อยนะชีว <IS> ิตของเราเนี่ยอยู่ยากอยู่ด้วยโรคด้วยภัยอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเวลาตายจริงๆมันไม่หายใจออกมันไม่หายใจเข้านะเวลาจะตายจริงๆมันไม่หายใจเข้าเพราะปอดมันมันจะหยุดทำทำงานแล้ว อ, อ๊มันหายใจออกจากหายใจเป็นปกติธรรมดาเป็นหายใจหมาเป็นหายใจแมวเคยสังเกตหมามันหายใจไหมมันหายใจถี่กว่าเรานะแล้วเคยสังเกตเห็นแมวหายใจไหม น, า น, า น, านั่นนั่นเวลาัจะสุดเหมือนแมวหายใจเลยครับเราเคยดูแล้วอืม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 ราคะจริตโทสะจริตน้อมเอยียงไปเกี่ยวกับความขัดใจความโกรธจุนเฉียวเกลียกล่อมของผานกิรยากายกิริยาวิจาโทสะจริตโลภจริตขีโลภจริตคือมันน้อมเอยียงไปเป็นอะไรมันเป็นนิสัยเอาเอานั้นมาเป็นนิสัย